บ้าเมื่อกี้เนี่บานผือมาหูหลายหลายร้อยองค์อำเภอบานผือแต่หน้ายุ่งเนี่กับน้ำโสมนายุ่งโอ้โจักปีนจักเป็นเท่าไดรเมื่อนั่นเจ้าคนาอำเภอบ่อบ่อได้มาบ่ได้มาวัดหลวงพ่อเละบ่ได้ามแต่บ่าปั่นน้ำโสมเนี่ประมาณเท่าไหร่ร้อยหรือสองร้อยพระจำพรรษาปีนีแต่สังคมเท่าไดบ้น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 สามองเพืงอเบิกหน้าโลกรานหน้าไหวพระสวดมนต์นางพาวานาปฏิบัติศีลธรรมหลวงพอ่อมีหนังสือเล่มหนึ่งแจกสงสัยมือตรวันหนังสือเล่มนี้แจกในงานในงานของวันเกิดหลวงพ่อเขาพิมมาอีกพนี่พิมมาอีกประมาณทั้งสองส า, สาพันเล่มโอ้พอก็แจงเองคนะ อันนี้เป็นว่าหนังสือเรกนี้ว่าพระคุณของบิดามารดาพระคุณบิดามารดาหลวงพอกิตวะข้านาวาพักบาวบคูบาอาจารย์บวบเรื่องพระคุณของพ่อของแม่ยั่มีผละไรบ่ายเบื้งสังเกตุไปลยัง่มีผไรบอกพราเห็ุไดข้นพ่อบ่าโอ้ยลกุกเศ้าจาเจ้ า, จาสร้างบูญจากบุญคุณของพ่อของแม่ววเถอะโอ้ยฮะบาเลี้ยงมาแล้วทัทาเล็กหน่อยลุกล้านเขากติวาจังสัตย์อี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 พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีพระคุณจังใดสำหรับเเ่าเโดยมากจะพอมีผู้ใดบอกนอกจากพระสงฆ์ศีบอกกานพระสงฆ์เบาๆะะมัดหมองศีบอกอีกขึ้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเนีได้บอกเวลาทรงการก็ดีเวลาปีใหม่ก็ดีหลวงพ่ อ, อเออลูกหลานพวกเเผ้วอย่าลืมเจ้าของเนิ่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติก็คือประเทศชาติบ้านเเผ่วบ้านเมืองของเเผ่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 ปีนี้น้ำสิทวมบอกบวชทวงหรอกปีนี้เพอะปีที่แล้วนักการเมืองเข้าไปแล้วมันต่างคนต่างดันกันพล น, น้ลาไหลใส่กันพุ่ น, น่ะสี่เอาน้ำคัดไปพุ่นนะภาคตะวันออกพุ่นนะบพรห้นน้ำไหลลงแม่น้าเจายายา้าพระน้ำแม่น้ำท่าจีนให้เป็นน้ำพุ่ น, นเปนไปไหลขึ้นหลังเขาใหญ่พุ่นนะมันก็เลยน้ำท่วมกรุงเทพน เ, พเพนื่องเพรเห็ุใดเพราะพวกไหนพวกนักการเมืองอะไรคันบุนักการเมืองกานฟั่งพระเจ้าแผ่นดิน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 พ่อวันเสาร์อาทิตย์ว่าหนึ่พ่อก็อก้เอเลาะไปหาตีก๊อปบอกไปหาเล่นบบกบอกไปหาตีไกล้บกอกไปออกนอกลูกนอกทางทางภูเมียนเลกันพูนหาเทียวหันหาเทียวนี่จากนั้นก็พูนห่างทรัพยสินขาดพูนะเออปล่อยลูกปล่อยปะลาเลยบอกว่ า, าไปหาปูหายาบัดหาเจ้าของเถาแก่ชะลามากผัดบัดว่าบอกว่าลูกโบหุจักบุญคุนของพอ่อของแม่บอกว่าหาเฮ้าจักเถื่อน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 บารทาหมอเนี่ยได้แม่ได้ลูกมากเอาแม่อาบ้านลูกเจ้าของเตะเจ้าของอีกหนอยเออมันบไปใส่เด้ว่าเราไปกำหลอกกงเกวียนแมน่นแท้ๆเดีว่านไปไ อ, อพวกเขาสังเกตนั้นนะที่ลงพอบอกจังสีแล้วนะ อ, อขั้นผไรเียงพอเทียงแม่มันลูกขึ้นมากมันเียงทำมันวันออาไปเบิ้งโหลดวนกไปเอบไปใส่อกอ น, นอกไปบ่ว่าแต่ลูกพอลูกแม่เราลูกเิียลูกหาขึ้น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 พ้ามแต่เนี่ก็พลามพราะนั่นกับทำ้าค่าขายมันรวยเลเด็กก็จะโกรธโกรธนึงกันโกรธนึงก็คือสิบล้านนไปเออร้อยสิบอยเป็นพันเลยสิบพเป็นหมื่นสิบหมืนเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเยเป็นโกรธเงื่อนโกรธนึงกันถ้าคูมือนี้กถึงล้านกันมีโกรธ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 อพ่อก็หาบ้านในขอคนละพันพ่อก็หาอีกคนไปบ้านีนเหลือเงินยังพอพันหนึ่งบาทพ่อต่อมาบ้านในเงินยังดูเงินยังพอพันพ่อก็ใส่ไปในหายหลานไปใน้ย่างไรมันก็เมดหึงตัวเงินพันเดียวเป็นบ่อละพ่อต่อมาพอเม็ดบ้านในผู้พอนี่ก็โย่หน่ำบ้านหลังใหญ่ละบ้านลูกสะพายใหญ่ลูกชายใหญ่พ่อยโย่ไปโย่ไปลูกสะพายใหญ่เนี่ยพูดกันแหนกันแหนแล้วในบ้าอใปูของเขาน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 เออมากฟังจดจอเลยบ่นั่งส า, ปาบปลาเพิ่งไหนพ่อพรามณ์เลยคืนไปก็ยืนกางฟอดเลยวันไปกางยืนยืนไม่เท่าผมพ่ายยามพร้อมมีหมอโลกเขี้ยนแอลอีกต่างหากว่นแล้วก็มี่ไม่เท่าพร้อพรามก็บอกว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ำกายย่างย่องจ้องจดจุน จะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัร้ายจะวัยบุ้นเอาไม้เท้าปัดบัดเวี่ยงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยอันนี้คือคําที่พพได้เจ้าสอถพ้ามไให้พ้ามเบอกแปผ้ามเอามาเบอกแล้วแไปเ อ, อเลี่ยงบุตรสุดแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคือเห้าพวกเข้าไพระก็ต่างที่เเลี่ยงลูกขึ้นมานี้